และทำไมต้องทนเซ็งมีชีวิตตั้งนานหลายๆสิบปีเพียงเพื่อวันหนึง่งจะต้องเป็นบุคคลสาบสูญไปจากโลกนี้ชัว่วนิรันดร์แต่ฉันก็มีสายตาให้กับลวดลายสีสันที่น่ามองบนโลกไม่ต่างจากคนอื่นห่วงเวลาที่ได้สัมผัสกับเรื่องที่ตัวเองพอใจแรงๆฉันก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่หมดเหงาเครียดไม่เป็นเอาแต่หัวเราะสนุกรวมทั้งเหลือคาถามเดียวในหัว คือทำอย่างไรจะอยู่เสพสุขให้สะใจในโลกนี้ได้นานๆเคยนึกว่าถ้าแอ บ, บถ่ายรูปคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างฉันไว้ทุกอาทิตย์เก็บเก็บไว้สัก52ใบให้ครบปีแล้วเอามารวมๆดูฉันว่าน่าจะเห็นอะไรดีๆที่ทำให้ได้ข้อคิดมากมายเพราะสิ่งที่รูปทั้ง52ใบจะแสดงร่วมกันแน่นอนคือความแตกต่างความไม่คงเส้นคงวา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 ว่าของมันต้องเป็นอย่างนี้แหละขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นบางทีมากบางทีน้อยหาชีวิตใครเป็นเส้นตรงราบเรียบเท่าไม้บรรทัดไม่ได้หรอกแต่ก็น่าชงนที่คนปกติทั่วไปรวมทั้งฉันด้วยจะมองไม่เห็นธรรมดาที่ว่านี้มนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์พากันคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นคืออธิษฐานขอให้เส้นกราฟพุ่งขึ้นมาสูงถึงจุดหนึ่ง แล้วแล่นเรียบเป็นเส้นตรงคงที่อยู่อย่างนั้นอย่าได้พลัดตกหล่นร่วงลงเลยเจ้าประคุณเอย๋ยวันเดือนปีล่วงไปฉันใช้ชีวิตของคนธรรมดาโดยไม่เคยสำรวจว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มรู้แต่ว่าขอให้วันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปเท่าที่พอใจเป็นใช้ได้จะเอาอะไรมากกว่าใจที่พอกันเล่าเรื่องสะดุดใจ ทุกคนจะมีอายุอยู่ในโลกกี่ปีก็ตามต้องมีสักวันหรืออย่างน้อยสักนาทีที่สะดุดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาจากคำพูดของคนอื่นคนอื่นที่ว่านี้อาจเป็นคุณครูสมัยอนุบาลที่สอนให้เราท่องกอไก่ขอไข่อาจเป็นคนรักที่อยู่ในอารมณ์อยากทะเลาะและขุดคุ้ยกันให้ละเอียดละออาจเป็นปราดระดับโลกคนโปรดที่คำคมถูกคัดลอกซ้ำแล้วซ้ำอีก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 ผู้ไม่คาดหวังว่าจะฟังอะไรเป็นพิเศษเช่นมีเพื่อนบ้านเป็นครอบครัวเล็กๆประกอบด้วยพ่อแม่ลูกชายวัยห้าขวบกับคุณตาอีกคนและเนื่องจากรั้วบ้านเป็นแบบโปรง่งไม่ใช่อิกปูนสูงหนาบางตาครอบครัวชั้นกับครอบครัวนั้นจึงมักยิ้มให้กันประจาแม่ไม่สนิทถึงขั้นแจกซองกระถินให้แก่กันและกันตามโอกาส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 ด้วยความตระหนักว่าได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับมาพบหน้ากันอีกส่วนฉันยืนอยู่ในห้องเพียงแค่คิดว่าต้องไปงานศพอีกแล้วสิเราน่าเบื่อเสจริงเย็นอีกวันหนึ่งฉันยืนรดน้ําต้นไม้ริมรัว้วหูก็ได้ยินเสียงพ่อลูกข้างบ้านคุยกันบนเสื่อกลางสนามคุณพ่อคงร้อนเลยชวนลูกเมียมานั่งปอกผลไม้กินใต้ร่มไม้ประสาครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้า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 อย่างมากอาจนึกเทียบเคียงกับเวลารอพ่อแม่กลับบ้านก็ได้แล้วเมื่อไหร่คุณตาจะตื่นเห็นนอนอยู่ในโรงตั้งหลายวันแล้วถ้าตายก็ไม่ตื่นแล้วล่ะลูกต้องอยู่ในโรงอย่างนั้นตลอดไปเช่นอดลอบมองลอดพุ่มไม้ใบไม้สอดตาดูไม่ได้สมดังที่นึกคาดเดาล่วงหน้าคือเห็นคุณแม่น้องออสทำตาแดงๆปอกผลไม้อยู่ในชุดดาส่วนสามีของเธอ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 ทำไมทุกคนต้องตายด้วยล่ะครับคุณพ่อเงียบไปครู่คงเพราะกําลังอยากกินชมพู่มากกว่าตอบคําถามไม่รู้จบของเด็กน้อยฉันจำเลืองเห็นคุณพ่อของเด็กชายเคี้ยวชมพู่อย่างสบายอารมณ์ใจนึกเร่งให้ตอบเร็วๆด้วยความอยากรู้ว่าถ้าเด็ดของคุณพ่อที่มีตอบคําถามโลกแตกพนันนี้เด็กทุกคนย่อมทึกทักว่าพ่อแม่ให้คําตอบได้หมดโตขึ้นเขาคงเรียนรู้เองว่าไม่ใช่เช่นนั้น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 เตรียมตัวยกสมบัติให้แม่ของออสตั้งแต่ออสยังไม่เกิดแน่รู้ก่อนตายแล้วทำไมคุณตาไม่หนีล่ะจะไปหนียังไงลูกเอ๋ยถ้าโจนมาไล่ฆ่าเราเราอาจใช้สองเท้าวิ่งหนีได้แต่ถ้าร่างกายจะฆ่าตัวเองแม้แต่เท้าก็ยกไปไหนไม่ไหวแล้วถ้าคนเราต้องตายแล้วจะเกิดมาทำไมล่ะครับเพราะยังติดค้างอยู่กับความไม่รู้ไงลูก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 เห็นได้จากจํานวนวัดกว่าส0 0 0 0แห่งทั่วประเทศรวมทั้งการมีวันหยุดราชการเป็นวันสำคัญทางาศาสนาปีละไม่น้อยแถมคำพูดกับความนึกคิดของชาวไทยก็มีสับทางพุทธเจืออยู่มากเช่นอุทานว่าอานิจจาหรือพุทธโธส่วนตอนแสดงความขอบคุณคนให้ความกรุณาโดยเปรียบว่าเหมือนพระมาโปรดแม้แต่นาคาสูงมาใช้ในเชิงลบเช่นใครจะไปตรัสรู้ละ่ะก็ยังเอา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 เหล่านี้เป็นตัวอย่างความจริงเกี่ยวกับตนเองที่กำลังปรากฏอยู่หรือกาลังจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทว่าไม่อยู่ในสำนึกรับรู้ของฉันแม้แต่น้อยฉันถามว่าถ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วจะได้อะไรคุณพ่อน้องออดตอบด้วยความมั่นใจว่าได้รู้ด้วยตนเองว่าหมดความติดค้างเหมือนคนที่ชาระหนี้หมดไม่จาเป็นต้องหาเงินมาจ่ายเพิ่ม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 พอเห็นความไม่เที่ยงในกายใจเสมอๆจิตก็เลิกยึดมั่นสําคัญผิดเลิกมองว่าสิ่งนั้นๆเที่ยงเลิกหลงเขลาว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนพอเห็นอย่างต่อเนื่องมากเข้าจิตก็ขาดจากอุปทานที่ครอบงํามาแต่อ้อนแต่ออกเรียกว่าบรรลุมรรคผลมีดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยบุคคลของพุทธศาสนาฉันฟังแล้วยังรู้สึกคลุ้มเครือ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 ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่สุขุมนุ่มนวลพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครเข้าป่าหาแก่นไม้แต่ไปเจอกิ่งใบเจอสะเก็ดเจอเปลือกเจอกระพี้ก็อาจสำคัญว่าเป็นแก่นเพราะไม่ทำความรู้จักแก่นให้ดีซะก่อนเลยได้สิ่งที่ไม่ใช่แก่นติดมือกลับบ้านลาบและสรรเสริญเปรียบเหมือนกิ่งใบศีลเปรียบเหมือนสะเก็ด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 แม้แต่ลูกเมียก็ยังตัดไม่ได้ไม่ใช่ผู้รู้แจ้งอันมีใจหลุดพ้นแล้วแต่เมื่อสอนพื้นฐานเบื้องต้นให้ชั้นระยะหนึ่ง<ๆ>ก็จะพาไปกราบพระอาจารย์ของท่านในภายหลังนัดแนะจะเริ่มไปบ้านท่านตั้งแต่เย็นวันต่อมาชั้นอิ่มอกอิ่มใจเหลือกำลังถึงจะยังไม่มีคำตอบหรือหนทางแจมแจ้งแต่อย่างน้อย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 โอกาสที่ฉันจะได้เข้าถึงตัวท่านอาจยากพอๆกับขอนัดนายกเพราะฉันเพิ่งทราบว่ามีคนอยากหลุดพ้นอยากปฏิบัติธรรมถูกต้องตรงทางและแสวงหาครูผู้น่าเชื่อถือเหมือนอย่างฉันบานตะไทยปัจจุบันมีการอบรมระยะสั้นและระยะยาวมากมายหลายแห่งแต่ต้องสอด ต, ตาดูเงี่ยหูฟังมากๆหน่อยจึงจะได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งสถานที่และเวลา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 แต่บางคนก็อ้างอิงแต่คำพีชั้นหลังบางคนชอบการผสมผสานระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่แต่บางคนตั้งแง่ปิดกั้นสิ้นเชิงกับการปรับเปรียบเทียบเคียงระหว่างพุท ธ, ธะกับวิทยาการในโลกยุคปัจจุบันในทางปฏิบัติบางคนบอกว่าให้กาหนดสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันได้เลยบางคนบอกว่าให้เข้ากรรมาฐานตามรูปแบบเสียก่อน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 บางทีถึงขั้นคิดทําบุญเพื่อพระศาสนายอมทําบาปชกใต้เข็มขัดฝ่ายตรงข้ามเส้นหน่อยเล่นสศกรปรกศาสตร์คโคลนกันดื้อก็มีเท่าที่ฟังข้อถกเถียงขัดแย้งทั้งทางอินเทอร์เนต็ตทางเทพอาจารย์ดังและทางตาหูของฉันเองเมื่อเจอหน้าสหาหธรรมชาวพุทธใครๆก็กลัวคนอื่นทาความเสียหายให้พระศาสนาแต่ตัวเองทาบ้างหรือเปล่าไม่เคยกล้าสารวจจริงจัง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 โทษของเราเพิ่มพูนไพบุญผลไปถึงไหนแล้วอย่างเช่นบางคนรู้จักพุทพธพจน์มากแทบเรียกว่าครอบคลุมทั่วถึงทุกประเด็นผู้เรื่องไหนเป็นหยิบจับพุทพธพจน์มาอ้างอิงได้หมดแบบนี้มีคุณใหญ่เป็นอนันต์แต่ในทางตรงข้ามอาจก่อโทษได้มหันเช่นกันเช่นยกพุทพธพจน์มาเพื่อข่มขี่หรือสนับสนุนจิตคิดกลด่าฝ่ายตรงข้ามของตนผู้ฟังรับพุทพธพจน์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 และอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แรงดึงดูดโลกคงไม่ยินยอมให้เราหนีขึ้นฟ้าง่ายใดยชั้นใดแรงดึงดูดของวัฏสงสารก็คงไม่ยินยอมให้เราหนีไปนิพพานง่ายใดฉั้นนั้นสังเกตเถอะขณะกําลังท้อแท้กับผ้าฟัดกันนัวเนียเป็นยมยอมของบรรดาชาวพุทธผู้เจริญโชคชะตาก็มักพาไปเจอถ้อยคําตอกย้ําให้มืออ่อนเท้าอ่อนยิ่งขึ้นไปอีกเช่นพวกเราวาสนาน้อย เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าอยู่ในยุค ข, ของผู้มีปัญญาสามมาเกิดหมดสิทธ์แล้วละต้องหมั่นทาบุญมากๆนะแล้วอธิฐานไปเกิดในยุค ข, ของพระสีอานซึ่งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หน้านน่นหากสั่งสมบุญไว้มากแล้วเมื่อฟังธรรมต่อเบื้องพระพักก็จะสามารถบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วถ้อยคาทานองนี้ถ้าคนธรรมดาพูดอาจไม่กระไรนะัก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 ไม่เหลือแม้แต่ผู้ทำภาวนาได้ตรงทางด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าใครหวังมากหวังผลหลังจากพุทธปรินิพานจะถูกมองเป็นพวกหวังสงเกินตัวไปต้องหวังพบพระพักพุทธองค์รับคำสอนจากท่านโดยตรงให้พระองค์ชี้ถูกชี้ผิดด้วยองค์ท่านเองเท่านั้นจึงมีสิทธิ์มีวาสนาพอแท้จริงน้อยคนจะรู้ว่าต่อให้เกิดทันพระพุทธเจ้า พกบุญญาวาสนาติดตัวไปเกิดมากพอจะเข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็ไม่แน่ว่าจะรอดเสมอไปอย่างเช่นในสามัญยผลสูตรว่า เ, วเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้มีบุญญาที่การเหนือมนุษย์ทั้งทวีปคือครองบัลลังก์พระราชาได้แถมอุตสาหมีสิทธิ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกต่างหากเสียแต่เผอิญก่อนหน้านั้นเวรกรรมชักนาให้ต้องรู้จักกับพระเทวทัตถูกยุโยงให้เห็นผิดเป็นชอบ แย่งชิงราชสมบัติจากเสด็จพ่อของตัวเองและแม้พระบิดายกสมบัติให้แล้วยังไม่วายกังวลจะถูกแย่งคืนถูกพระเทวทัตยุให้ปลงพระชนเสียเพื่อความแน่นอนกว่าแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เป็นประเภทบ้าจี้ยุขึ้นเสียด้วยไปไปมามาหน้ามืดตามัวฆ่าพ่อตัวเองจนได้การฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นต่อให้สำนึกผิดก็สายเกินต้องไปนรกลูกเดียว ห้ามสวรรค์นิพพานหมดสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุหลังจากพระเจ้าอาชาตศัตรูมาเข้าเฝ้าแล้วกราบทูลลากลับว่าพระราชาพระองค์นี้ถูกขุดเสียแล้วพระราชาพระองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้วหากเท้าเธอไม่ปร่งพระชนชีพพระบิดาผู้ดํารงธรรมก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้บรรลุธรรมต่อหน้าเราตถาคตทีเดียว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 ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำลังพระหัไทยแห่งองศา ส, สดาแต่ละสมัยด้วยในคำภีมหาวิพังมีผู้ทูลถามว่าเหตุใดศาสนาของพระผู้มีพระภาคบางพระองค์จึงอายุสั้นนักพระศาสดาของเราตรัสตอบด้วยพระญาณรู้เห็นอดีตเบื้องไกลพอสรุปใจความสำคัญได้ว่าดูกรสารีบุตรพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีสิกี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 เมื่อมีการบันทึกคำสอนพระศาสดาว่าอย่างละเอียดละออก็แปลว่าคนรุ่นต่อๆมามีสิทธิ์จะเข้าถึงธรรมตามอัตภาพใครขยนันใครทำถูกตามคำสอนของพระศาสดาก็เอามรักผลไปต่อให้ไม่เคยพบแม้แต่อรหันตสาวกของพระองค์ท่านก็ตามพูดง่ายๆว่าเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์โอกาสศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะยังอาจจะน้อยกว่าสมัยนี้ของเรา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 กลุ่มของผู้เชื่อเช่นนี้อาจออกไปทางศรัทธาจริตชนิดใครพูดอะไรก็เชื่อหรืออาจหนักไปทางปัญญาจริตชอบคิดคาดคะเนสะแสวงความรู้ซึีจนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำว่าปัญญากล่าวคือพุทธิปัญญาขั้นสูงนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคือความสามารถเห็นธรรมชาติเกิดดับไม่น่ายึดมั่นถือมั่นใครฝึกจริงจังถูกต้องเมื่อไหร่ก็เห็นจริงได้เมื่อนั้นไม่จากัดการแต่อย่างใด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 เช่นรอพบพระพุทธเจ้าในพุทธการต่อไปซึ่งจะนานสักกี่แสนกี่ล้านปีก็ไม่ทราบฉันจะถือเอาประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนความรู้ไว้มากมายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเชื่ อ, อไว้ก่อนว่าเพียงพอต่อการพิสูจน์ด้วยตนเองถ้าแม้ความเชื่อของฉันผิดพลาดอย่างมากก็เสียเวลาเจดปีในชีวิตแต่ถ้าความเชื่อของฉันถูกแปลว่าฉันกาลังจะเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตมนุษย์คุ้มที่สุดในโลก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 ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดเหมือนทุกคำเป็นทองที่ไม่อาจปล่อยปละให้ตกหล่นกรรมจะพยายามรักษาเราไว้กับทางเดิมอย่างเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพวกเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันฉันปลงใจเชื่อว่าสร้างนิสัยไว้อย่างนี้เป็นอาจินหรือที่เรียกว่าอาจินกรรมหากมีโอกาสเกิดใหม่เป็นมนุษย์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 ดังปรากฏให้เห็นตัวอย่างผู้ทาบุญกับพระพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์แล้วหวังผลเป็นสวรรค์นิพพานหลังจากตายไปแล้วมากมายก่ายกองก่อนปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ฉันเชื่อจริงๆเลยว่าตั้งใจดียอมเป็นเริกดีในตัวเองสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสุ ป, ปุภะพานหสูตรว่า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 ที่ชั้นรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งมีปริมาณไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่ใช่เกินกําลังอ่านให้ทั่วตาตื่นและขนลุกสู้เพราะขณะคลิกเลือกไปสุ่มๆนั้นได้คำตอบจากภิกขุสูตรราวกับปาฏิหารคล้าเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งพระเนตรเทศปโปรดชั้นโดยตรงทีเดียวในพิ ข, ขุสูตรกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่ง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 ต้องเห็นค่าของศีลข้อใดข้อหนึ่งด้วยหัวใจเมื่อรู้สึกว่าชีวิตมีคุณภาพขึ้นมาจากภายในแม้ต้องยอมแลกกับการสูญเสียโอกาสแบบโลกโลกไปบ้างก็จะเห็นว่าคุ้มค่าพอเมื่อศีลข้อนั้นๆเริ่มทำให้จิตทอประกายสว่างทางความรู้สึกก็จะนึกถึงประโยชน์ของศีลข้ออื่นๆตามไปด้วยเพียงด้วยความตั้งใจมั่น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 จิตจะมีคุณภาพได้อย่างไรหากพื้นฐานมีแต่การตามใจกิเลสเละเทะเหมือนเอาตัวเข้าไปหมกโคลนเลนมีความจริงที่น่าสนุกอยู่อย่างฉันเคยได้ยินมานานและเจอดีเข้ากับตัวเองจริงๆคือพออธิษฐานถือศีลก็มีอันต้องประจวบเหมาะเหลือหลายเหตุการณ์ต่างๆดานหน้าเข้ามาลองใจทันตาเช่นคนที่บ้านให้ช่วยโกหกทางโทรศัพท์ว่าไม่อยู่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 ฉันเจอเหตุการณ์ลองใจสารพัดจนเหนื่อยใจแต่สัญญาต้องเป็นสัญญาฉันตกลงกับตัวเองไว้แล้วว่าจะรักษาศีลก็ต้องรักษาให้ได้คิดซะว่าเป็นโอกาสใช้นีิกรรมให้หมดหมดไปด้วยแล้วความจริงที่ปรากฏตามหลังมาก็น่าตื่นใจพอทนทนใช้กรรมไปพักหนึ่งก็ดูเหมือนการไล่ล่าลองใจจะลดลงเรื่อยๆกระทั่งในที่สุดเหมือนหายไปเลยไม่มารบกวนอีก เรากับชีวิตยกตัวเองขึ้นลู่ทางใหม่นานๆถึงจะมีเรื่องยั่วให้ผิดศีลแล้วจิตใจที่ผ่องแผ่ดีแล้วก็ไม่รู้สึกยากกับการเลี่ยงเลยสักนิดอันนี้สองผลบุญของการรักษาศีลมีมากมายมหาศาลเอาแบบที่คนในโลกชอบกันคือริดอย่างอ่อนๆจิตที่มีประกายศีลแจ่มจ้าแล้วจะเกิดสัมผัสพิเศษเมื่อต้องตัดสินใจอะไรสักอย่าง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 ฉันกล้าบอกด้วยประสบการณ์ภายในของตนเองเลยว่าถ้าเพียงศีลหบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นปกติอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็เท่ากับฝึกจิตให้เป็นสมาธิตามธรรมชาติมาเกือบครึ่งแล้วความชุ่มชื่นของศีลความสุขสว่างเบิกบานของศีลนั่นแหละเป็นองค์ประกอบสำคัญของสมาธิจิตยังไม่ทันต้องกำหนดเข้าสู่กรรมฐานใดๆก็เหมือนมีส่วนของสมาธิอยู่ในจิตเองแล้ว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 เพียงด้วยมุมมองที่แตกต่างมุมมองหนึ่งจะพาคนกลับมาห่วงห่วงและรักษาสมบัติต่อไปแต่อีกมุมมองหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ด้านด้อนออกเดินทางต่อซึ่งผู้แจกเงินในหุบเขามหาสมบัติได้เตือนไว้ล่วงหน้าว่าไม่ง่ายหรอกนะจะไม่ใช่การเดินทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกนะเหตุการณ์สมมติด <s> ังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อฉันศึกษาเนื้อหาในพุทธศาสนาอย่างละเอียดที่สุด เท่าที่จะทำได้อาจเป็นเพราะจุดสะดุดของชีวิตที่หักเหให้ฉันหันมาสนใจพุทธศาสนานั้นคือคำว่าแก่นพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นแห่งใจอย่างไม่กลับกำเริบขึ้นอีกซึ่งภายหลังฉันมาตรวจพบในจูรษาโรปะมะสูตรว่าพระสัสดาตรัสไว้จริงๆ จ, จึงแปลว่าพุทธศาสนาในมุมมองของฉันถูกจัดตั้งไว้แบบเล็งตรงเข้าเป้าตั้งแต่ต้น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 แบบคนธรรมดามาเหมือนคนธรรมดาอื่นๆทั้งโลกแต่ทำไมถึงอยากหลุดพ้นไม่อยากวนเวียนซ้ำซากจําเจอยู่กับการสลับฉากดีร้ายอีกต่อไปอันนี้ถ้าจะให้ยกแบบเดาส่งไปพลางๆฉันก็เข้าใจว่าคงเป็นเพราะอาดีตชาติเคยทำไว้ก่อนเคยมองไว้ก่อนเคยเห็นจริงไว้ก่อนนิสัยในชาตินี้จึงสอดรับกัน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 เชิดหน้าชูคอเดินกันด้วยความรู้สึกสง่างามเต็มประดานี่เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดของอาการหลงนึกว่ากายหอมสะอาดทั้งที่จริงเป็นความหอมของเครื่องฉโลมกายและเป็นความสะอาดจากเครื่องประทินผิวจิตสำนึกของเราถูกหลอกด้วยภาษะเ ท, ท็จเทียมชั่วคราวชั่วชีวิตมนุษย์ยุคใหม่คนหนึ่งอาจไม่เคยตรหนักอย่างแท้จริงเลยว่ากายเป็นของเหม็น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 ไม่อาจาตั้งอยู่ได้เกือบทันทีเหตุแห่งทุกข์ทางใจที่ว่านั้นก็คืออาการครุ่นคิดซ้ำรากนั่นเองเพียงทารู้ด้วยสติเห็นตามจริงว่าอาการคลุ่นคิดซ้ำซากก็แค่ของจรเข้ามาไม่ได้มีอยู่ก่อนในใจและไม่อาจคงสภาพคิดคิดคิดได้ตลอดโดยไม่แปรปรวนไปเป็นระดับอ่อนแก่ต่างๆเท่านั้นก็ได้ชื่อว่าเหตุแห่งทุกข์ถูกจับได้ไล่ทัน ถูกแทรกแซงถูกแทนที่แล้วการที่ฉันจําไว้ว่าสติปัฐาน4คือการรู้กายใจตามจริงหรือพูดง่ายๆ่าว่าฐานที่ถูกต้องของสติก็คือกายใจนั้นนับว่าเป็นการย่นย่ออย่างมากความจริงต้องจำแนกให้ละเอียดชัดเจนด้วยว่ารู้กายหมายถึงให้รู้ตรงไหนรู้ใจหมายถึงให้รู้นามธรรมที่เกิดขึ้นในรูปลักษณะใด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 และจำนวนหมวดทั้งสี่นี่เองเป็นเลขห้อยท้ายคำว่าสติปัฏฐานหมวดเหล่านั้นได้แก่กายเวทนาจิตธรรมทำความเข้าใจสติปัฏฐานสี่เบื้องต้นเมื่อทำไว้ในใจว่าต่อไปนี้ครูสอนกรรมฐานของฉันคือพระพุทธเจ้าการอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรของฉันก็ไม่ใช่แค่สักแต่ดูเล่นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง แต่เป็นการน้อมรับฟังว่าพระพุทธเจ้าสั่งให้ทำอะไรบ้างจิตที่เต็มไปด้วยความเคารพทำให้การศึกษามหาสติปัฏฐานสูตรแยกเป็นสองระดับโดยสมองทำงานแยกกันเป็นอิสระคือ 1. รับฟังและจดจำใส่กล้าวอย่างไม่มีเงื่อนไขกระทำสมองเป็นกระบะรับพุทธพจน์ทุกถ้อยทุกคำ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 ยาวก็รู้สั้นก็รู้เน้นความรู้ความสังเกตตามจริงเป็นสำคัญอันนี้นึกดีๆแล้วฉันไม่เคยลองทำดูจริงจังเหมือนอย่างอุบายอื่นๆที่ผ่านมาตลอดเลยสักครั้งน่าทดลองเหมือนกันว่าถ้าจะเอาจริงแล้วจะเกิดผลเช่นไรจะประสบความสาเร็จหรือจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเหมือนเช่นที่ผ่านมาอันนี้ต้องคอยดูกันสรุปว่าหมวดกาย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 อันนี้ถ้าให้ตั้งโจทย์ถามตัวเองก็จะได้คำตอบว่านามธรรมอันเป็นภาวะทางใจที่ดูง่ายสุดน่าจะเป็นสภาพที่เกี่ยวเนื่องกับกายนั่นเองบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวที่สุดหรือกระทั่งประชิดติดตัวที่สุดก็คือสิ่งที่เรามองผ่านและไม่เคยสังเกตอย่างที่สุดเช่นเมื่อทอดร่างลงนอนเหยียดยาวเราจะบอกตัวเองว่าสบายจัง แต่ไม่สังเกตว่าภาวะสบายจังนั้นเกิดขึ้นช้านานเพียงใดแปรปรวนไปเป็นอึดอัดเมื่อยขบเกรงต้นคอหรือแผ่นหลังให้ต้องพลิกขยับเป็นอื่นตั้งแต่เมื่อไหรความรู้สึกสบายหรืออึดอัดทางกายนั่นแหละเครื่องครื่งอยู่ระหว่างกายกับใจตามนิยามนั้นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเฉยหากดูนิยามของสุข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 เอาคู่ตรงข้ามมาเป็นเครื่องเทียบเคียงเพื่อให้เห็นว่าจิตแบบหนึ่งแบบหนึ่งต้องเปลี่ยนไปเป็นตรงข้ามเสมอฉันก็เกิดอาการย้อนพิจารณาเห็นว่าที่ผ่านมาเมื่อนิ่งแล้วก็ไปยึดความนิ่งเป็นของดีของหน้าภูมิใจแท้จริงแล้วเป็นเครื่องหมักดองหรือเพิ่มภูลกิเลตได้อย่างหนึ่งหาใช่สมาธิที่ถูกทางครบพร้อมแต่อย่างใด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 จึงต้องมีหมวดสุดท้ายในสติปัฏฐานสทุกอย่างผูกกันตามลำดับหรือกระจายเป็นเอกเทศก็ไม่ทราบฉันต้องใช้วิธีอ่านแบบตั้งข้อสังเกตอย่างละเอียดและพบความจริงอย่างหนึ่งคือถ้ามองในแง่ความยากง่ายต้องบอกว่าหมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตนั้นน่าจะเป็นพื้นฐานที่ง่ายกว่าหมวดธรรมวัดจากเนื้หาก็ได้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 เข้าใจว่าถึงจุดที่อิ่มตัวในหมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตพอสมควรแล้วคงรู้เองว่าจะก้าวลุกคืบเพื่อชิงชัยกับกิเลสด้วยหมวดธรรมได้อย่างไรความตั้งใจสำรวจและประเมินตนเองด้วยความที่เคยผ่านการปฏิบัติแบบงูงูปลาปลาจับชายมานับปีทำให้ฉันได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือถ้าขาดการสำรวจตนเองเราจะย่ำซ้าอยู่กับที่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 หลักในการประเมินความคืบหน้าในเมื่อฉันจะปฏิบัติตามแนวสติปฐานสที่พระพุทธองค์สั่งให้ทําเพราะฉะนั้นฉันก็ตัดสินใจได้ว่าจะถือเอาลำดับขั้นของสติปฐานสี่นั่นเองเป็นตัวบอกระดับหยาบละเอียดของสติอย่างที่ฉันพินิจพิจารณาแล้ว mm hmm. เห็นว่าหมวดต่างๆคือกายเวทนาจิตและธรรมนั้นมีความหยาบละเอียดตามลำดับ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 กว่าจะย้อนกลับมาพบว่าคำตอบมีอยู่ในมหาสติปัฐานสูตรอยู่แล้วนั่นคือโพชฌงเจ็ดคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือพูดง่ายๆว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วจิตมีลักษณะเจ็ดประการเป็นองค์ประกอบพร้อมอยู่ก็แปลว่าอาจเกิดมรรคผลขึ้นในขณะใ ด, ดขณะหนึ่งก็ได้ที่มองข้ามไปแต่แรกก็เพราะมัวนึกว่าโพชฌงเจอยู่ในหมวดธรรม ซึ่งนับว่าเป็นขั้นของการปฏิบัติระดับสูงต่อเมื่อมาเจอโพชฌงค์สูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสติรู้ลมหายใจกับโพชฌงเจตความเข้าใจที่ผิดพลาดจึงถูกแก้ไขใหม่สรุปง่ายๆณจุดเริ่มต้นนี้ก่อนว่าโพชฌงเจตเป็นสิ่งที่เจริญขึ้นได้แมในขั้นตอนของการกาหนดสติรู้ลมหายใจและอาศัยสติรู้ลมหายใจทั้งลืมตาและหลับตานั้น ไต่ไปสู่ยอดคือถึงความหลุดพ้นแห่งใจระดับอรหันต์ได้เลยทีเดียวฉะนั้นแค่เริ่มปฏิบัติสติปัฏฐานเบื้องต้นในหมวดกายคือรู้ลมหายใจนั้นก็สามารถใช้เกณฑ์คือโพชชงมาเป็นหลักตรวจสอบทิศทางได้แล้วโพชชงประกอบด้วยองค์ธรรมเจ็ดประการคือ 1. สติคืออาการยกขึ้นรู้เช่นแทนที่จะแช่จมอยู่กับความมื่อ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 ลมหายใจเข้าแล้วต้องออกออกแล้วต้องเข้าสักแต่เป็นธาตุลมไม่ใช่ตัวตนเป็นต้น 3. วิริยะความเพียรวิจัยธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อเห็นลมหายใจเกิดแล้วดับก็ตามเห็นความเกิดดับนั้นไม่ลดละเท่าที่จะทําได้จนสุดความสามารถ 4. ปิติความเบิกบานใจไม่หม่นหมอง ไม่พยายามเกินกำลังจนเครียดกังวลรวมทั้งไม่มัวแต่หวังผลที่ยังมาไม่ถึงจนท้อแท้พูดง่ายๆถ้าอยู่ที่จุดสมดุลไม่เพ่งและไม่เผลอได้ก็จะปิติเบิกบานเองห้าปัตสตสิความไม่กวัดแกงกายใจเป็นธรรมชาติที่ตามมาเองเมื่อเบิกบานอยู่ในธรรมไม่กวัดแกงกายคือสงบนิ่ง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 ความวางเฉยในจิตอันตั้งมั่นแล้วไม่ใช่การกำหนดวางเฉยในสิ่งที่รู้หรือเห็นข้อนี้มักเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและทำให้ทำชั้นในในเช่นจิตถูกละเลยต่อเมื่อชันศึกษาโพชน์ชงขสูตรอย่างถี่ถ้วนเห็นพุทธพจน์สำคัญคือวางเฉยในจิตที่ตั้งมั่นแล้วจึงเข้าใจเสียใหม่ได้ถูกต้องสรุปคือ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 และเห็นตนเองกำลังจะเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก